ลางทํากันอนงะวังแล้วนำไปปฏิบัติหัดกายวาจาใจตัวเองช่วยกันบอกช่อกันสอนช่วยกันดูแลตัวเองให้มันคุ้มมีสติ เป็นที่ตั้งมีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของ จ, จิตใจทุกคนรับริดชอบกายใจตนเองจะได้ปลอดภัยอยู่ด้วยกันึกวความสงบร่มงเย็นถ้ามีสติเป็นเจ้าของแล้วก็มีความเพียร อยากว่าพ้องที่จะละความชั่วพ่อที่จะทำความดีได้ทุกโอกาสเพราะสติเนี่เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่ดูแลลูกเพรพ่อแม่ก็ต้องกรองที่จะดูแลลูกให้รอดปลอดภัยอยู่เสมอราปุระเจ้าเปรียบเทียบกับสตินี้เหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการลักณที่ชุด เดอเราต้องสร้างต้องประกอบขึ้นมาให้มีให้มากที่จะคุ้มกายใจของตนได้ซาสติไม่มากก็คุ้มครองไม่ได้อกุศลรัตธรรมก็เข้ามาค้องแทนดึงกายไปทำความผิดดึงใจไปทำความผิดได้ อะไรเกิดขึ้นกับพอใจไม่พอใจมันดึงไปแล้วถึงถอนลงมถ้ามีสติจะถอน อ, อกมาให้รู้สึกตัวได้สอนกายแล้วได้สอนจิตใจแล้วทุกครั้งที่มันเกิดความพอใจและความไม่พอใจจะสอนตรงนี้ แต่ยังไม่แสดงออกทางคําพูดสังกายเป็นทวารที่สองที่สามก็จัไม่เป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมมาเกิดจา ก, กจิตใจนี้ก่อนหรืเจตนาหังนพิฆเวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่ที่ใจถ้าหลงก็ผิดไปแล้วถ้าทุกข์ก็ผิดไปแล้ว ถ้าพอใจก็ผิดไปแล้วทาไม่พอใจก็ผิดไปแล้วอย่าดื้อด้านกันตรงนี้ดูดีๆยแยบคลายดีๆอาศัยกรรมฐานเป็นป้อบปาการตรวจดูอยู่เสมอข้าศึกมาทางใดจะได้ปราบข้าศึก ก็มาทำลายกายใจไม่ได้ด้าไม่มีสติก็อะไรก็ผ่านมาได้เหมือ น, นด่านที่บ้านถ้ามาปล่อยวางใครผ่านมาก็มีด่านตรวจโ่อก็ทำให้ปลอดภยัยแต่ปันนับนก็ยัง ทำให้เกิดการเสียหายตัดไม้ยูงในป่าจนจะหมดแล้ววานเ้นก็จับได้ทั้งเจ็ดแปดท่อนต่างๆงด้ไหมใช่ของง่ายเสกกระโปงเชกอะไรก็ได้ทั้งชินยาบ้าต้องต่อรดลากไปหนักก้นหนักยังลบลักไปได้ จนแล้วไปแล้วก็จึงพัฒนาไปทางเสื่อมหาวิธีที่จะเอาให้ได้ความชั่วหาวิธีทำให้สำเร็จได้แํ้วบันได้ยึดกายยึดใจแล้ ว, ลวก็ทำความชั่วได้สำเร็จเกิดทุกข์เกิดโทษ เลนเราจึงมีจิตเป็นป้อมบาการตรวจสอบอยู่เสมอทุกคนดูแลตัวเองไม่เหมือนกับป้อมยามตำรวจชาวบ้านที่ตั้งด่านตรวจอันนัน้นไม่เพียงพองถ้าไม่ดูแลกาใจของตอนเองแล้วก็ไม่สมดจ ผู้เจริญราโกยแล้วก็พยายามเครื่องมือการทําโจรสลักงบ ม, มันดีทุกวันนี้ก็าพัฒนาจนยาเสพติดมีทุกรูปแบบทั้งดมทั้งอมทั้งกินทั้งทาก็ติดได้หัวทางกินก็ติดได้หัวทาง กายก็ติดได้มามดทั้งตะวนันทุกปากก็ติดได้หมดลมปมทางได้ทั้งหมดแล้วก็มีวามสำเร็จพวกปัญญาเขีก้กคิดจะทำก่อนชั่วได้สำเร็จ แล้วก็จ ะ, จะอาศัยันอื่นมันก็ไปไม่รอดคนไทยเราหกสิบล้ววนลานคนเนี่ยทุกคนก็ดูแลตัวเองจะมอบภห้ใครคนใด ค, ค, ค, คนหนึ่งดูแลคุ้มครองก็ไม่รอดปลอดภยัยกรรมาฐานนี่ควบคุมได้เยอะ ก่อนจะเห็นอาการหลังต่างที่เกิดขึ้นกับปา่ากับใจจะไปแก้ไขเหลียนความร้ายเป็นความดีเหลี่ยนความผิดเป็นความถูกได้มันไม่มีที่หลับถ้ามีสติเป็นหน้าโลอบผู้มีสติเป็นหน้าลอบไม่เผลอหากดังนี้ให้มีสติเป็ น, น, นในกายเป็นประจำ รหัดเบื้องต้นเอาใช้กายเป็นที่ตั้งเป็นนิมิตที่เกาะไว้ให้หมันติดตรงนี้เชียก่อนเมื่อมันแน่นที่ตรงนี้ที่กายมันก็จะมันก็มีพลังจะได้ดวนอื่นได้เห็นง่ายจะได้แม่นจะได้แม่นยำไม่คลุมเครือเห็นชัดเจน แต่มันชัดอยู่ที่กายมันตั้งอยู่ได้นานเหมือนเฉยภูมิที่นกลบพยึดได้ดีก็ย่อมได้ใช้หน้แจ่ฆ่าศึกหลงที่ใดก็กลายเป็นลู่ทันทีปาบได้แล้วปิดตรงไหนกลายเป็นทุกทันทีทุกตรงไหนกลายเป็นไม่ทุกทันทีถ้ามีเจตติ จะไก็หัดกลับมาตั้งมปก่อนยังไม่เกิดปัญญาก็กลับมาลู่ความลู่จุดตัวกลับมาลู่จุกตัวจุกก็กลับมาลู่จุกตัวทุกก็กลับมาลู่จุกตัวสงบก็กลับมาลู่จุกตัวผุ้สร้างก็กลับมาลู่จุกตัวเป็นทุกเป็นโทษเลยกลับมาลู่จุกตัว อันนี้ระหว่าฝึกขัดเปื้องต้นทุกท่านที่มันผิดก็ให้มันมีความรู้จักตัวสะรวมรู้จักตัวตัวนี้กลายเป็นความก้าวหน้าไปหลายหลายอย่างแล้วความชั่วทําความดีจิตก็จะบริสุทธิ์ไปเองเกิดปัญญาไปเองเกิดเป็นศีลเกิดสมาธิเป็นปัญญาไปเองแล้วศีลก็จะได้ช่วย กายช่วยใจสมาธิก็จะได้ช่วยกายช่วยใจปัญญาก็จะได้ช่วยกายช่วยใจพลงังเพิ่มเป็นเครื่องทุนแหรงเกิดขึ้นมาง่ายระบาดง่ายที่จะไม่หลงได้อาจจะสะดวกเหมือนถีบกกยานขึ้นหมอขึ้นที่สูงเมื่อขึ้นที่สูงได้แล้วก็ง่ายลงง่ายขาหลงก็หลงง่าย ก็ดูขอเห็นนี่ง่ายเห็นนี่มันง่ายถ้าเป็นมันยากเหมันขึ้นไปต้องทวนขึ้นไปเจังก่อนเห็นนต่ไม่เป็นนี่มันง่ายถ้าเป็นละมันมันหนักจั่วจุกก็เป็นจุกนี่แต่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปยากทุกก็เป็นทุกนี่มันขึ้นไปจะไปละที่มันสุขมันทุกข์ละที่มันโกธมันหลงไปแล้ว จนความคิดอย่างเนี้ยมัก็ติดานานๆแล้วสิปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเกลื่อนิดกัเปิดเพื่อนไปหมดจิตเดิมแท้ไม่เข้าใจเห็นกันเห็นแต่จิต ท, ที่มันปนเพื่อนไปแล้วอะไรเกิดขึ้นว่าพอใจมันติดไปทางนั้นไม่พอใจมันติดไปทางนั้นจิตน่ะ ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ความพอใจความไม่พอใจเอาไปใช้แล้วกิจเมื่อมีความพอใจไม่พอใจก็ไปไกลไปถึงทุกข์ถึงโทษถึงภาพภพ ต, ต่างๆอยาถอด อ, อกมาหะตากนี้ใครก็ต้องช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองให้ม่มากๆ Language, Kristin, วยกันถ้าท่านเปลี่ยนความหลงไปความไม่หลงแล้วก็กดอันนี้สงมากมายถึงช่วยกันบอกช่วยกันสอนกันตรงนี้อันนี้ก็จะให้อาจารย์สมใจพูดชักงหน่อยันเกอ่ก็ เดือนลางลงคนหนุ่มก็ขึ้นหัวแทนเด็กบันผู้ลลุดของเราก็ตายไปมากแล้วปีนี้ก็สมเด็จสังครลโลกชินไปชนไปแล้วจองลูก พวกเราพวกยังโดมยังน้อยก็ขึ้นมาช่วยกันตั้งนักบวชตั้งฆราวาสญาจมหรือ ว, ว่าพุทธบริษัทพี่ลูก ส, สองนอ้องลูกหนึ่งช่วยกันในบุญครับอย่าสนใจ